อโศกา ร, รามเมืองปัตตนะประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา11นาฬิกา40นาทีขอจเจริญพรโยผู้รธาทุกท่านวันนี้โยมก็ได้เดินทางมา เข้าสู่ประเทศอินเดียแล้วแล้วก็เราก็เดินทางมาได้เป็นระยะทางพอสมควรได้มาถึงดินแดนที่เรียกได้ว่าเป็นดินแดนพุทธศาสนาและก็เป็นจุดสาคัญแห่งหนึ่งนสถานที่นี้ก็ดังที่ท่านพระมหาบุญธรรมท่านได้แนะนําโยมแล้วคือที่ตั้งของวัดอโศการามซึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้ส่งตั้งสร้างขึ้น แล้วก็มีความสำคัญก็คือว่าเป็นที่ทำสังคยนาครั้งที่3ร้อยกรองพระธรรมวินัยเมื่อพุทธศักราชประมาณ234หรือ235ปีแต่ตัวเลขนี้ก็อาจจะมีการถกเถียงกันอยู่บ้างแต่โดยทั่วไปก็ถือยุติการประมาณนี้แต่ว่าข้อสำคัญก็คืออยากจะพูดถึงเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ ดินแดนพุทธศาสนาเพราะว่าเท่ากับว่าวันนี้เรามาถึงอโศการามแล้วก็เมืองปัตตา น, นี้เป็นจุดแรกในการเดินทางของเราเพราะฉะนั้นควรจะถือโอกาสนี้พูดถึงดินแดนพุทธศาสนาให้ได้ภาพรวมกว้า ง, ก, างกอนแต่ว่าจุดนี้ที่มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเป็นที่ทำสังฆยนาครั้งที่สแล้ว เมื่อได้มีการร้อยกรองพระธรรมวินัยเรียบร้อยแล้วถือว่าพระศาสนามีความมั่นคงพระเจ้าอโศสมหาราชก็ได้ทรงดําเนินงานก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการส่งพระศาสนทูตไปประกาศพระศาสนาในดินแดนต่างๆซึ่งเราได้รับทราบกันมาตามตำนานว่ามีก้าวสายด้วยกัน ในบรรดา9สายนั้นสายหนึ่งก็ไปยังสุวรรณภูมิซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแถบประเทศไทยของเราก็ทางประเทศไทยเราก็เชื่อว่าพระโสด า, า, าอุตรานี้ไปขึ้นที่เมืองนครปฐมในสมัยที่ยังเป็นอาณาจักรทวาราวดีส่วนพม่า ก, ก็บอกว่าไปขึ้นที่เมืองสะเทมิมในดินแดนของพมา่า แต่ว่าเรื่องอย่างนี้ก็หาหลักฐานมาพิสูจน์กันยากอยู่แต่อย่างที่ท่านมหาบุญธรรมว่าไว้แล้วก็ถือว่าสวรภูมิก็เป็นดินแดนทางด้านอาเซียนตอนออกเชียงใต้นั่นแหละแล้วข้อสำคัญก็คือว่าพระพุทธศาสนาได้เข้าไปสู่ประเทศไทยของเราโดยเริ่มต้นไปจากจุดนี้เองจะถือว่าอาโศการามนี่เป็นที่ทาสังเคนานแล้วก็ เป็นศูนย์กลางที่ได้ส่งภาษาพกหรือภาษาสนันนิษฐไปประกาศพุศาสนาเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็ถือว่าได้รับพุทธศาสนาจากที่นี้เรามาถึงที่นี้ก็จึงเป็นจุดสําคัญเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างพุทธศาสนาของประเทศอินเดียกับประเทศไทยจึงถือว่ามีความสําคัญเพราะฉะนั้นการที่เรามาเริ่มต้นที่นี่มองในแง่หนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี เพราะว่ามาถึงจุดที่เป็นแหล่งเผยแพร่ของพุทธศาสนาไปสู่ประเทศไทยนะจากจุดนี้เราก็โยงเข้ามาหาประเทศอินเดียทีหนึ่งเมื่อโยมมีความเข้าใจอันนี้แล้วทีนี้ก็มามามองดูภาพรวมของประเทศอินเดียหรืออาณาจักรชมพูทวีปกันอีกครั้งนึ่งประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปนี้เราก็เรียนถึงประวัติ โดยสัมพันธ์กับพุทธประวัติพุทธประวัติของพระพุทธเจา้าแล้วก็จึงค่อยๆดําเนินตามความเป็นมาจากพุทธกาลนั้นเรื่อยมาถ้าหากว่าเรามาพูดถึงพระเจ้าโศกเราก็ยังไม่ถึงพุทธกาลพระเจ้าโศกมหาราชนี่ก็เป็นเพียงว่าเป็นผู้ประทับพระพุทธศาสนาซึ่งเกิดหลังพุทธกาลไปแล้วตั้ง200กว่าปียุคสมัยของพระเจ้าโศกนั้นก็ถือว่าประมาณ2องปปีหลังพุทธกาล นั้นเราจะถึงพระพุทธเจ้าจริงเราต้องย้อนไปอีกอาณาจักรแห่งนี้มารุ่งเรืองสมัยหลังพุทธกาล210กว่าปีเราย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลเมื่อพุทธศกราชล่วงไปแล้ว 2,500 กว่าปีตอนนั้นประเทศอินเดียก็อยู่ในสภาพที่เราเรียกกันว่าเป็นชชบูทวีปชมบูทวีปนี้เป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาล ในสมัยก่อนพุทธกาลและถึงพุทธกาลนั้นถือว่ามีอาณาจักรแวนแพ้นหรือประเทศต่างๆนี้มากมายถือกันว่ามีทั้งหมด16ประเทศด้วยกันหรือ16แว่นแพ้นใช้คำในภาษาบาลีว่ามหาชนนบทมีมหาชนนบททั้งหมด16ด้วยกันคำว่าชนนบทนั้นในภาษาบาลีไม่ได้หมายถึงบ้านนอกแต่คล้ายๆกับคำว่า country ในภาษาอังกฤษ เราจะเห็นว่าคําว่า c o u n t r ในภาษาอังกฤษนี้ใช้ได้สองความหมายใช้เป็นความหมายทั่วไป c o u n t r ก็คือประเทศและเด e country ก็เป็นชนบทใช้ได้สองอย่างคำว่าชนบทในภาษาบาลีก็คล้ายกันใช้ทั่วไปแปลว่าถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ก็คือประเทศแล้วก็ใช้ในความหมายบางอย่างก็เป็นชนบทคือบ้านนอกคล้ายๆอย่างนไรคล้ายๆภาษาอังกฤษ country นั่นแหละ ทีนี้ในสมัยพุทธกาลและก่อนนั้นนันก็ถือว่าอินเดียนี้หรือชมพูทวีทนี้มีดินแดนแว่นแพนใหญ่ๆอยู่16หมหาชนบทด้วยกันก็ตามตำนานอย่างในพระไตรปิฎกก็จะบอกไว้ก็มีอังคะมะคธกาศีโกสนวัชชีมัลละเจตีวังสะกุรุปัญจาละมัชชะสุรเสณนะัสกะ อวันตีคันธาระและกัมพชะนี่นี่คือชื่อดินแดนหรือมหาประเทศเหรือประเทศทั้งหมด16ประเทศเด็ยกันนี่แวนแควนดินแดนเหล่านี้นั้นกล่าวได้ว่าเรียงจากตะวันออกไปตะวันตกอังคะนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่ดินแดนที่ปัจจุบันนี้เป็นบังคลาเทศบังคลาเทศนี่แหละคือแถบของแคว้นอังคะแล้วก็ไล่มา อย่างการกัต้านี่ก็เข้าใจว่าคร่าวๆก็อยู่ในแคว้นอันคานด้วยเป็นแคว้นที่หนึ่งแล้วก็ไปมคตมคตเนี่ยตอนนี้เรามาอยู่ในแคว้นมคตแล้วก็ไปกาสีอย่างเมืองคารานศีนี่ก็อยู่ในกาสีโกศลสาวัตถีก็อยู่ในแคว้นโกศลแล้วก็ไปวัดชีเราไม่ได้เข้าไปโดยตรงวันละเจตีว่าเรื่อยไปคุรุนะั้ไปอยู่แถวเมืองเดลีแล้วคัญจาระอสกะ อวันตีคันธาระกัมโพชาไปถึงกันธาระกัมโพชากันโน่นแถวปากีสถานนุ่นแหละเนี่ยแล้วก็อัฟกานิสถานก็ไล่ไปตั้งแต่ตะวันออกจนกระทั่งตะวันตกอันนี้ก็คืออินเดียในสมัยโบราณแล้วพอมาถึงยุคพุทธกาลนั้น16แว่นแคนนั้นก็เป็นธรรมดาของเรื่องของการเมืองอก็จะต้องมีการแข่งขันแย่งชิงอนานาจสิ่งกันลกัน ประเทศที่มีอำนาจมากกว่าก็รบราคํามสงครามกันจนกระทั่งว่าบางประเทศก็จะหมดอำนาจไปหรือถูกยุบรวมเข้าในสมัยพุทธการนั้นก็ปรากฏว่าใน16แคว้นแคนนั้นก็เหลือประเทศที่ใหญ่โตอยู่จริงๆเนี่ยประมาณสัก4ี่หประเทศเท่านั้นเองก็อย่างอังคะที่ว่าแถวบังคลาเทศนี่ก็เข้าไปอยู่ใต้อานาจของแคว้นมคตไปแล้วมคตนี่ก็เป็นแคว้นที่ริงใหญ่แล้วก็ กาสีมีเมืองพาราณสีที่เราจะไปนี่ก็ไปอยู่ใต้อํานาจของแคว้นโกศลไปแล้วกาสีนี่มีเรื่องในชาดกมากเหลือเกินอติเตพาราณสียังธรรมทัตเตของเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตคลองราชสมบัติในพาราณสีในแคว้นกาสีแต่ว่าพ อ, อถึงสมัยพุทธกาลนี่กาสีไปอยู่ใต้อํานาจแคว้นโกศลที่เมืองสาวัตถีแล้วก็วัดฉีก็เป็นแคว้นที่ใหญ่มาก มีอำนาจมากในสมัยพุทธกาลแล้วก็ไปแคว้นวังสะวังสะนี่จะได้ยินชื่อมากในเรื่องว า, วาสิทธิหรือการมณิทนะวังสะในเมืองหลวงชิวโกศลพีก็พอออกชื่อเมืองโกศลพีโยมที่เรียนสมัยก่อนก็นึกออกแล้วก็ไปมีอีกแคว้นหนึ่งก็แคว้นอวันตีเมืองกุเชนีเป็นเมืองหลวงแล้วก็ถิ่นของพวกกามณิทวาสิทธินี่แหละ นี่ก็เป็นแควนมหาอำนาจใน ต, ตอนนั้นกล่าวได้ว่าก็มีพวกนี้มีมคตมีวัดชีมีโกศลแล้วก็มีวงังสะมีอวันตีแต่ว่าแควนที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาในยุคพุทธกาลมากก็จะอยู่ทางด้านนี้ด้านด้านที่เรามาถึงก่อนคือภาคตอนออกเชียงเนื้อท้องอินเดียก็มีแควนมคตเนี่ยแล้วก็แคนวัดชีแล้วก็แค น, นโกศล น, นี่จะมีชื่อเสียงกล่าวบ่อยที่สุด น่กล่าวถึงแคว้นมคตแคว้นมคตนี่จะเป็นแคว้นที่มีชื่ออยู่ยั่งยืนที่สุดแคว้นอื่นๆที่ว่าใหญ่อยู่ในสมัยพุทธกาลนี้ต่อมาหลังพุทธกาลก็ค่อยๆหมดไปตอนสมัยพุทธกาลเน้นเราจะเห็นว่ามีแคว้นมคตนี่กับแคว้นวัดชีนี่แข่งอํานาจกันมากแล้วก็แคว้นโกศลก็รบกับแคว้นมคตแต่ว่าต่อมาโกศลก็หายไปวัดชีก็หายไปแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือแคว้นที่ เป็นมีการปกครองแบบที่ต่างกันก็คือแคว้นมคตกับแคว้นวัดชีอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแคว้นมคตก็เป็นแคว้นที่ปกครองแบบราชาธิปไตยแล้วก็อยู่ติด ก, กันกับแคว้นวัดชีแคว้นวัดชีนี่ปกครองแบบที่เขาเรียกกันว่าสามัคคีธรรมฝรั่งเขาเรียกว่าปกครองแบบรีบัฟลิกหรือสาธารณรัฐ ปกครองแบบสามัคคีธรรมก็คือว่าไม่ใช่เป็นผู้ปกครองเด็ดขาดคู่เดียวแต่ใช้วิธีที่ว่ามีชนชั้นปกครองจํานวนหนึ่งจำนวนมากทีเดียวซึ่งอาจจะถึง 7,707 องค์็ดนะมีการหมุนเวียนกันขึ้นมาปกครองเวลาจะบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องมีการประชุมในสภาสภานี้หอประชุมเขาเรียวกว่าสันถาขาดระบบการปกครองแบบนี้มีหอประชุมสันถาขาด น, นี้เป็นที่ที่ว่า พอถึงโอกาสที่มีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินกันเช่นว่าจะรบหรือไม่รบกับต่างประเทศเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นหรือว่ามีราชการอะไรกันต่างที่สาคัญ่ะที่จะต้องตัดสินวินิจฉัยอย่างที่เมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จดับขันธบริณิพานกษัตริย์บรรละซึ่งปกครองแบบเดียวกันนี้ก็ต้องประชุมกันในสันทารขานว่าจะปฏิบัติต่อ งานลงพระศรีระของพระพุทธเจ้าอย่างไรงนี้เป็นต้นกษัตริย์พวกนี้ก็เป็นการปกครองแบบสามัคคีธรรมต้องประชุมกันในสันถ า, ากกรคานกษัตริย์วัชชีที่งมีชื่อเรียกกันว่ากษัตริย์ลิชชวีถ้าเป็นนักเรียนสมัยก่อนนี่ก็จะได้ยินเรื่องในสามัคคีเพศคําชัยกษัตริย์ลฤาวีนี่ก็อยู่ในแพร่วัตชีเนี่ยที่จริงในวัตชีนี่ยังมีกษัตริย์ พวกอื่นอีกเช่นวิเทหาเป็นต้นแต่ว่าที่มีชื่อมากมาปลายพุทธกาลก็มีฤาชวีนี่แหละที่สําคัญพวกนี้ก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งมากมีการปกครองแบบเก่าที่ใช้การปกครองแบบสามัคคีทำร่วมกันปกครองนี้ก็แข่งอํานาจกันกันกบแพรนมคตนี่อย่างยิ่งทีเดียวแต่ว่าหลังจากพุทธกาลไม่นานก็ปรากฏว่าวัชชีนี่ได้สูญเสียอํานาจแก่แพรนมคต แนมคสมัยนั้นก็มีพระเจ้าบดินชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารในสมัยปลายพุธกาก็ตอนหลังก็ได้ส่งอวมานชื่อว่าวัศการพราหม์เข้าไปแล้ววัศการพราหมณ์นี่ก็ได้เข้าไปยุแย่จนกระทั่งกษัตริย์ฤชวีที่ครองแคว้นวัชีนั้นแตกสามขีกันหมดเมื่อพระเจ้าอาชาจะศัตรูยกทัพไปก็เลยพวกกษัตริย์วัชีคือเจ้าฤชวีทั้งหลายก็มีความอ่อนแอ ไม่พร้อมกันที่จะรบก็เลยพ่ายแพ้อนนาณาจักรของวัชีก็พินาศลงก็สูญสิ้นอำนาจแล้วตกเป็นเมืองขึ้นของแคนมคตสืบมานั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากพุทธกาลไม่นานอันนี้ก็มกศนี่จะเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มาแคว้นโกศลเองก็ก็ได้สูญเสียอำนาจไปแล้วก็มคตก็เหลืออยู่แคว้นเดียวจนกระทั่งว่ามาถึงยุคพระเจ้าโศกซึ่งเป็นเวลานา น, านตั้งเป็น200กว่าปีเนี่ย มกทก็เหลือแฟนเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาสมัยพระเจ้าโศกมหราราชอาณาจักรมกทของพระเจ้าโศกนี่ใหญ่กว้างยิ่งกว่าประเทศอินเดียปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นอินเดียยุคที่มีดินแดนกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยแต่ว่าออกไปทางสองปีกเนี่ยมากไปทางตะวันตกเฉียงเหนือออกไปทางปากีสถานอัฟกานิสถานแต่ใต้นี่ไม่หมดเพราะพระเจ้าโศกไปหยุดต่อที่ สงคามรบชนะแคนกนลิงคะที่ท่านมหาบอกแล้วว่าทางปัจจุบันก็เรียกว่าแคนโอริสาแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าได้เปลี่ยนมานัษถือพุทธศาสนาแล้วก็เปลี่ยนนโยบายใหม่จากสังคามวิชัยที่รบชนะเอาชนะด้วยสคุครามมาเป็นชนะได้ธรรมะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันคร่าวๆแต่ว่าอาตมาอยากจะให้ข้อสังเกตอีกนิดหน่อยคือความเจริญของเรื่องของแคนมคตเนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับแผนวัดชีเพรก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องเมืองที่เราอยู่ปัจจุบันคือเมืองปัตตนะเมืองปัตตนะนี่ชื่อเดิมก็คือชื่อว่าเมืองปาตลีบุตรเมืองปาตลีบุตรนี่ได้มาเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าอาโศกมหาราชและก็เป็นที่ตั้งของวัดอโศการามที่เรานั่งอยู่ซึ่งเป็นที่ทําสังฆทาครั้งที่3ดังกล่าวมาแล้ว แต่เมืองปาตลริบุตรนั้นในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อเชื่อมโยงกันนิดหน่อยในสมัยพุทธกาลนั้นเมืองปาตลริบุตรยังไม่ได้เป็นเมืองเพิ่งจะเริ่มเพิ่งเริ่มก่อสร้างอาณาจักรมคตในสมัยพุทธกาลนั้นมีเมืองหลวงชั่ว่าเมืองราชครึซึ่งเราจะไปในวันสองวันนี้เองนั่นแหละเราจะกำลังจะไปสู่เมืองหลวงเดิมของแควัญมคตในสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ และพระพุทธเจ้าก็สรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาที่เมืองราชคลื่นั่นแหละซึ่งเป็นเมืองหลวงของแผ่นมคตแล้วก็ราชคลื่นี่ก็เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พุทธศาสนาเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเพราะเป็นที่ทําสังคกตนาครั้งที่หนึ่งสังคกตนาครั้งที่หนึ่งนั้นที่ราชคลื่เมืองหลวงเก่าแล้วมาสังเกตนาครั้งที่สในปาตารีบุตรเมืองหลวงใหม่แห่งนี้ข อ, อให้ลองเชื่อมโยงเรื่องราวดูนี่ก็ เมืองราชคลีก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคตในสมัยพระพุทธการเริ่มพุทธการก็คือสมัยของพระเจ้าพิมพิสารโยมก็คงได้ยินชื่อพระเจ้าพิมพิสารแล้วรู้จักกันดีแล้วต่อมาพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารคือพระเจ้ า, าชาตาสันตูได้ลงพระชนพระราชบิดาแล้วก็ได้ขึ้นครองราชกย์ก็ทรองอยู่ที่เมืองราชคลีนั้นทีนี้มาถึงปลายพุทธการก็มีเรื่องราวของเมืองปาตาลริบุตรนี้เกิดขึ้น มีเล่าไว้ในมหาปรินิพพานสูตรตอนนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินในหนทางที่จะไปสู่เมืองที่จะปรินิพพานคือเมืองกุสินาราและตอนนั้นก็มาผ่านที่นี่แหละ เ, เมืองปาตาลีบุตรนี้ในสมัยพุทธกาลมีชื่อว่าปาตาลิขามท่า น, นั่นเองปาตาลิขามก็แปลว่าเป็นหมู่บ้านยังไม่ได้เป็นเมืองเป็นหมู่บ้านปาตาลิ แล้วตอนนั้นพระเจ้าชาติศัตรูนี่กําลังต้องการจะรุกรานแคว้นวัชชีเป็นอย่างมากแล้วก็มีเรื่องมีปัญหากับแคว้นวัดชีเพราะฉะนั้นก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งในชายแดนพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยได้มาดําเนินการสร้างปตาตลิคามหรือหมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นเป็นเมืองป้อมเมืองเมืองหน้าด่านเพื่อจะสู้รบกับวัดชีนั่นเองนั้นนี่คือกําเนิดของเมืองปตาตลีบุตร พระเจ้าชาติตรูก็มอบหมายให้มหามาตยสองท่านชื่อสุนีทะกับวัสการะนี่แหละสุนีทะคนหนึ่งและ ว, วัสการะพามตัวสําคัญให้มาสร้างเมือง น, นี้ตอนที่เขากําลังสร้างเมือง น, นี้อยู่พระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จมาแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จผ่านในสถานที่ต่างๆะผ่านประตูเมืองเขาก็เรียกประตูนั้นว่าโคตมัทวานและก็พระองค์เสด็จลงแม่น้ําที่ ท่านน้ำใดเขาก็เรียกท่านน้ำนั้นว่าโคตมติดถัพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทํานายไว้ว่าปาสาริบุตรที่สร้างขึ้นใหม่เป็นหนึ่งเมืองหน้าด่านนี้ต่อไปจ ะ, จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็จะมีความพิราษ ด, ด้วยภัยสาม ป, ประการอย่างที่ท่านวหาบุญธรรมท่านได้กล่าวแล้วก็คือภัยจากไฟจากน้ําและจากความแตกสามขีอันนี้ เป็นเหตุการณ์ในพุทธกาลที่ต่อเนื่องซึ่งเราได้เห็นกำเนิดของเมืองปราจาริบุตรทีเดียวทีนี้ว่าถึงการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแพนมคตต้องมาสร้างเมืองหน้าด่านนี้ขึ้นเพื่อมาสู้กับวัดชีเนี่ ย, เ, ยเพราะจุดนี้เป็นจุดสําคัญอันนี้เมืองวัดชีหรือพวกกรรษัตริย์ลิชวีนี่ก็มีปัญหาการแพนมคตโดยเฉพาะพระเจ้าชาติศัตรูมาตลอดบนฝั่งแม่น้ํำคงคาซึ่งยาว ไ, ไกลๆก็มีมีดินแดนอยู่ส่วนหนึ่งที่เคยเป็นส่วนที่แบ่งกันระหว่างทางฝ่ายมะคตกับฝ่ายวัดชีอันนี้ก็ที่ภูเขาหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำเนี่ยก็ว่ามีพืชอะไรชนิดหนึ่งอาตมาก็ไม่ได้ดูลายละเอียดแล้วนะว่ามันมีกลิ่นหอมมากแล้วก็ถึงวาระ ที่เวลาที่น้ํามันชะลงมาฝนลงมาแล้วก็พากลิ่นหอมของพืชนี้ลงไปในแม่น้ําก็เป็นที่ที่เรียกว่ามีชื่อเสียงอย่างมากทีนี้ครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูเตรียมยกพลกําลังมาเพื่อจะมาเอาพืชที่มีกลิ่นหอมนี้พวกวัชชีก็มาชิงตัดหน้าเอาไปพระเจ้าอชาตศัตรูจะมาเอาทีไรพวกวัชชีก็มาตัดหน้าไปทุกที อันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้พระเจ้าชาติศัตรูปโกรธแทนมากเนี่ยความคิดที่จะห้ำหั่นกับพวกวัชีนี้มีอยู่เรื่อยเลยแต่โดยเฉพาะก็คือการแย่งชิงอํานาจแล้วก็ความหวาดกลัวเพราะว่าพวกวัชีนั้นก็เป็นอํานาจแบบเก่าการปกครองแบบเดิมซึ่งเมื่อมีอยู่มีความเข้มแข็งก็เป็นภัยอันตรายคุกคามต่ออาณาจักรมคตอยู่ตลอดเวลานั้นก็เป็นธรรมดาที่ว่าพวกที่ หวังอำนาจก็จะต้องพยายามที่จะลุกรานหรือว่าปราบปรามกันลงไปให้ได้โดยเฉพาะก็เพื่อความยิ่งใหญ่ของตนเองนี่ก็เป็นสภาพเหตุการณ์ในสมัยสมัยพุทธกาล น, นะก่อนที่จะสิ้นพุทธกาลและต่อจากเมื่อสิ้นพุทธกาลแล้วเรื่องการพิพาทกาันระหว่างแค้นวัชชีกับมคนนี่ก็จะปรากฏในพุทธประวัติที่เราจะเห็นได้จากเรื่องของอ ร, รัญหานิยธรรมพระเจ้าชาติตรูนี่เคยส่ง วสการพราม์นี่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าลองไปยั่งดูว่าจะยกทัพไปปราบพวกวัดชีนี่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไงพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสบอกว่นเนี่ยน ะ, ะคือพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสตรงๆวสการพรามณ์ก็เข้าไปพูดทํานองว่าเออพระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยคิดว่าจะยกทัพไปปราบพวกแผ่นวัชชีพระพุทธเจ้าก็ตรัสโดยวิธีหันไปทรงถาม พระอานนท์ก็เอออนนท์นะสมัยหนึ่งเราเคยได้แสดงหลักอริหานิยธรรมเจประการเอาไว้แก่พวกเจ้าริชวีทั้งหลายเวลานี้พวกกษัตริย์ริชวียังได้รักษาอริหานิยธรรมกันดีอยู่หรือพระอานนท์ท่านก็รับทูลรับนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากราบใดที่กษัตริย์ริชวีแห่งวัชชียังประพฤติปฏบิบัติมั่นอยู่ใน อภิหานิยธรรม7ประการแล้วจะไม่มีใครเอาชนะได้ ใ, ใครว่าพระองค์ก็เท่ากับห้ามทับไว้ก่อนเพราะถ้าถืนล บ, ลบกันมันก็ต้องสูญเสียกันมากทั้งสองฝ่ายทำให้พระเจ้าชาตศตรูก็ยังไม่กล้ายกทับไปต่อมาพระเา้าศาต ร, ตรูก็คงคิดใหม่คือก็คิดกันอยู่ตลอดจะทำไงจะเอาชนะเขาได้อันะอนี้ก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ปรากฏว่าฝ่าย มคตนี่ก็ได้คิดแผนการอย่างที่ว่าวัศกาลพราหมณ์นี่ก็วางแผนการที่ว่าจะไปทําลายความสามัคคีของแคว้นวัดชีเสียก็ได้อาศาททำเป็นว่าถูกลงโทษถูกขับถูกเนรเทศออกจากแคว้นมคตไปแล้วก็ได้การที่เป็นผู้ที่หนีภัยนี้อันตรายไปเป็นผู้ที่มีความโกรธแค้นต่อกษัตริย์อาชาจศัตรูไปก็เลยไปรับอาสารับราชการแผ่นดินในวัดชีเพราะวัดชีก็ ไว้วางใจหลงกลแล้วต่อมาพวาสการพรามณ์ก็ใช้กุฎอุบายค่อยๆเรียกกล่อมค่อยๆ ย, ยุแย่จกนกระทั่งฝ่ายกษัตริย์ลิชวีนี่แตกแยกกันหมดเลยอันนั้นก็นํามาซึ่งความอ่อนแอของฝ่ายกษัตริย์ลิชวีเองแต่ว่ายังมีเหตุอื่นอีกแม้แต่ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าคือพระพุทธเจ้าจะทรงเตือนไว้เสมอการที่ทรงแสดงอปริหานิยธรรมนี้ก็เป็นการเตือนชาววัชีไปด้วยว่าเธอทั้งหลายจะต้อง ประพฤติปฏิบัติมั่นในหลักธรรมเหล่านี้นะถ้าว่าได้ประพฤติตามหลักธรรมเหล่านี้เจข้อญาติโยมอาจจะรู้บ้างไหมรู้บ้างอาตมาก็พูดไว้เป็นตัวอย่างอภิริหานีรทำที่ว่าทําให้เป็นที่ตั้งในความเสื่อมเช่นว่าหนึ่งมันประชุมกันหนึ่งนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกนะ แล้วก็เมื่อมีกิจสิ่งใดที่เป็นขอส่วนรวมเกิดขึ้นก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันจัดกันทำอะไรต่างๆเป็นต้นเหล่านี้ตลอดจกนกระทั่งมีการให้ความเคารพนับถือสักการะอนุสาวรีปูชนียสถานซึ่งเป็นหลักใจของบ้านของเมืองของสังคมของตนพระพุทธเจ้าก็ตัดหลักการเหล่านี้ไว้ก็บอกว่าถ้าหากว่าชาววัชชีคือกรรษัตริย์ชีและประชาชนนี้ พอพึ่งปฏิบัติมั่นอยู่ในหลักธรรมเหล่านี้แล้วก็จะไม่มีความเสื่อมมีแต่เจริญอย่างเดียวก็เท่ากับพระ อ, องค์จะเตือนอยู่เสมอว่าให้พยายามตั้งตอนอยู่ในธรรมเหล่านี้แต่ว่าในที่สุดความเสื่อมก็มาก็เพราะว่ากษัตริย์ชวีไม่ได้ปฏิบัติตามนี้แล้วนอกจากนั้นพระ อ, องค์ยังจัดเรื่องในโอกาสอื่นอีกซึ่งการที่ตัดถึงว่าสมัยก่อนนี้กษัตริย์ชวีนั้นเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งมีความหมันขยัน ในการฝึกฝนตนเอง เ, อเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทสมัยก่อนในพกกระกษัตริย์ฤชวีจะไม่เห็นแก่ความสุขสํมราญจะนอนหมอนไม้หมั่นฝึกการรบตลอดเวลาอะไรต่างๆต่อมาพกกระกษัตริย์ฤชวีพออาณาจากักรของตนเข้มแข็งมั่นคงขึ้นก็ชักจะเพลิดเพลินหลงมวัวเมาในความสุขต่างๆแล้วก็นอนหาความสุขจากการเป็นอยู่ต่างๆที่ฟุ่มเฟือยหรูหราความเสื่อมก็คืบ ค, ค, ค, ค, คลานเข้ามา อันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าศึกษาสึงความเสื่อมความเจริญของบ้านเมืองของสังคมต่างๆเป็นคติสอนใจพุทธศาสนกชนจากเรื่องราวที่เป็นมาในประวัติศาสตร์อันนี้อาตมาก็จะไม่พูดยืดยาวที่พอพูดมานี่ก็เยอะและ้เนี่ยคือให้เห็นภาพกว้างๆเกี่ยวกับความเป็นไปของอดีตเนี่ยว่าดินแดนที่นี้มีความสำคัญอย่างไรแล้วตกลงว่าปาตาลิคามที่ พระเจ้าอาชาติสตรูได้เริ่มให้มหาหมัดมาสร้างขึ้นในตอนท้ายพุทธกาลนั้นได้เป็นเมืองหน้าด่านแล้วก็มามีชื่อเป็นปาตลีบุตรแล้วต่อมาก็ไม่นานหลังจากพุทธกาลมาสมัยลูกหลานพระเจ้าอาชาตศสตรูเขาก็ย้ายเมืองหลวงจากราชครึ่มาอยู่ที่ปาตาลีบุตรนี้ mm hmm. ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาที่แคว้นวัดชีได้สิ้นอำนาจไปแล้วปาตลีบุตรก็กลายเป็นเมืองหลวงของพระเจ้าโศกไป แล้พระเจ้าโศกมหาราชตอนนั้นก็ยังไกลคือปาตลีบุตรมาเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคตก่อนพระเจ้าโศกตั้งนานพอหลังพุทธกาลไม่นานก็เป็นแล้วแล้วก็เป็นสืบต่อมาพระเจ้าโศกนี่ก็ไม่ได้เป็นวงของพระเจ้าอาชาตศัตรูหรือพระเจ้าพิมพิศารหรอกคืออยู่แคว้นมคธครองแคว้นมคตก็จริงแต่เป็นกรรษัตริย์วงอื่นคือกรรษัตริย์วงของพระเจ้าพิมพิศารอาชาตศัตรูที่ครองครองแคว้นมคตนั้นอยู่มา ได้สักเจดชั่วคนพอถึงรุ่น อ, อะไรล่ะเจดชั่วคนนี่จะเรียกกันเหรนก็ไม่ถูกแล้วมันเลยเหลนละโดยอดคือในกษัตริย์ราชวงศ์นี้นั้นลูกค่าพ่อตลอดลูกค้าพ่อตามกันมาพระเจ้าอาชาศัตรูข่าพระเจ้าพิมพิสารพอลูกพระเจ้าอาชาศสตรูชื่ออุทัยพัฒ์ก็ค่าพ่ออีกพอลูกของอุทัยพัฒ์ก็ค้าพ่ออีกฆ่ากันมาจนกระทั่งว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายทนไม่ไหว ก็เลยยุดอํานาจตั้งราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ใหม่นี้ก็ปกครองกันมามีอํานาจกว้างขวางขึ้นมาอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าต่อมาในอินเดียเนี้ยแคว้นต่างๆก็ค่อยๆหมดอํานาจจนกระทั่งเหลือแต่แคว้นมคตอนะยิ่งใหญ่อันนี้ตอนที่พวกกษัตริย์ยุคหลังๆนี่ครองกันอยู่นี่ฝ่ายกษัตริย์วงหนึ่งซึ่งชื่อว่าวงโมริยะเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเผ่าหนึ่งนั่นเองในสมัยนั้นในสมัย ที่หลังพุทธกาลประมาณสักร้อยกว่าปีแล้วมีเจ้าเผ่าโมริยะเนี่ยโมริยะนี่ก็ถือว่าเป็นสายของญาติของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเขาถือว่าพระเจ้าโศกนี่เป็นวงญาติของพระพุทธเจ้าก็อาจจะเป็นได้ว่าตอนที่ศักยะถูกล้างเผ่าโยมถ้าพูดอย่างนี้อาจจะงงแต่ว่าเรื่องราวก็มีอยู่นะต้องโยงไปหาเรื่องในสมัยพุทธกาลว่า วงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือวงศักยะวงศักยะนี้ตอนท้ายเนี่ยก็ได้ถูกพวกกษัตริย์แคว้นโกศลเนี่ยยกทัพไปปราบทําลายหมดกษัตริย์โกศลตอนนั้นชื่อพระเจ้าวิถูธถระเป็นลูกของพระเจ้าประเสนาธิโกศล น, นีตอนท้ายพุทธกาลพระเจ้าวิถูธถระนี่ ย, ยกทัพไปปราบแคว้นศักยะแล้วก็ทําลายแคว้นศักยะหมดนี่ก็ก็มีเรื่องว่ากษัตริย์ สายสักยะที่หลงเหลือหนีไปอาจจะไปอยู่ตามเชิงเขาฮิมาลัยเนี่ยก็ต่อมาก็ค่อยๆได้รวบรวมลูกหลานมีกำลังมากขึ้นเจนกระทั่งราพร6 1ก็ได้มีคนสำคัญในวงโมริยะเกิดขึ้นชื่อว่าจันทรคุปจันทรคุปนี่ก็ได้พยายามที่จะรวบรวมอำนาจแล้วก็พยายามที่จะชิงแคว้นมาคดนี่เลย ตอนนั้นแคว้นมครดใหญ่มากโมริยะนี่เป็นเพียงเผ่าหนึ่งเท่านั้นเองในโมริยะโดยจรารักรุปเป็นหัวหน้าในพยายามที่จะเข้ามายึดอำนาจแคว้นมครดก็ยังทำการไม่สำเร็จในก็ตอนนั้นพอดีถึงยุคของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชในเชื่อไปทางกรีกนั่นเองพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชก็มีอำนาจยิ่งใหญ่ขึ้นมาทางกรีกโนนก็ต้องการจะแผ่อำนาจไปทั่วโลกก็ได้ กรีธาทัพมาตามลําดับรบชนะมาตามลําดับมาถึงชายแดนประเทศอินเดียก็คิดว่าจะต้องเข้าตีประเทศอินเดียด้วยก็มาหยุดพักกําลังพลอยู่ที่ชายแดนประเทศอินเดียแต่อตอนนั้นก็เตรียมวางแผนที่จะมาทําสงครามกับชมพูเท่ากับแคว้นมคธนี่แหละซึ่งกำลังเป็นแคว้นมหาอำนาจอยู่เพราะพอดีประจวบเวลาเดียวกันกับปู่พระเจ้าโศกคือพระเจ้าจันทรกุบเนี่ยกำลังพยายามที่จะเข้ายึดอํานาจ แขวนมคตอยู่ก็มีเรื่องเกิดขึ้นว่าทั้งสองฝ่ายนี้ก็เห็นว่าถ้ามาร่วมเป็นสัมพันธ์ธไมตรีกันและจะช่วยกันรบเอาชนะมคตได้ทั้งสองฝ่ายก็มีผลประโยชน์ร่วมกันก็พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็คิดว่าถ้าได้อาศัยคนอินเดียเองมาช่วยการรบก็จะมีกําลังทําได้สําเร็จดีขึ้นฝ่ายจันทละคุปก็เช่นเดียวกันว่าถ้าได้อาศัยอเล็กซานเดอร์มหาราชมาช่วยตัวเองก็จะ สามารถลกชนะได้เพราะตัวเองก็ยังมีกำลังไม่พอในสองฝ่ายมีความคิดร่วมกันอย่างนี้ก็เลยนัดพบกันขอนัดพบกันเกิดมีปัญหาว่าใครจะเคารพใครก่อนทั้งสองฝ่ายต่างก็ถือตัวไม่ยอมเคารพก่อนพอไม่ยอมฝ่ายจันทรคุบนี่เข้าไปในเขตอำนาจของอเล็กซานเดอร์ก็เข้าไปพบในถิ่นของเขา ก็เลยอเล็กซานเดอร์ก็สั่งจับเลยจับจันทรคุปขังนะแล้วต่อมาก็มีเรื่องว่าจันทรคุปก้นหนีออกมาได้อนะ่มีก็เป็นเรื่องนิยายนี่อะไรประกอบประวัติศาสตร์ไปจันทรคุปหนีออกได้แล้วต่อมาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เองก็คิดไปคิดมายังไงก็ไม่ทราบก็ยกทัพกลับนะยกทัพกลับไปแล้วก็ไปสวรรคตกลางทางแล้วดินแดนที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตีได้พระองค์ก็ ทิ้งแม่ทัพในกองไว้ให้ปกครองแล้วพวกแม่ทัพในกองเหล่านั้นก็ต่อมาก็ยกตัวขึ้นเป็นพระเจ้าบผ่นดินเป็นแคว้นแคว้นแคว้นหลายแคว้ น, วนซึ่งแคว้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงต่อมาก็คือแคว้นของพระเจ้าเมนันเดอร์ที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าพระเจ้ามิลินต่อมาก็เป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงมานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพศประมาณ500ปีพระเจ้ามิลินท่านนี่แหละก็เป็นกษัตริย์เชื้อชาติกรีก คือเป็นพวกราชวงศ์ของแม่ทัพปลีกที่พระเจ้าเล็กซาเดอร์มาทิ้งไว้นี่ก็เป็นเรื่องโยงกันไปหมดอาทิ่นี้กล่าวฝ่ายพระเจ้าจันทรคุปมาหนีออกมาจากเงื้อมมือของพระเจ้าเล็กซาเบธมหาราชได้แล้วก็ต้องมาหาทางที่จะยึดอํานาจของแคว้นมคต์ด้วยตนเองต่อไปก็มีเรื่องมีราวมากมายใช่ว่าครั้งหนึ่งนี่เคยนึกว่าตัวเองมีกําลังมากพอแล้วก็ยกทัพเขาตีแคว้นมคตปรากดรดว่าพ่ายแพ้ ตัวอาจารย์ธนรคุปเองหนีเอาชีวิตแทบไม่รอดอแล้วก็หนีซ่อกซอนไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปในหมู่บ้านแห่งนั้นก็พอดียายกําลังทําขนมเบื้องให้หลานกินขนมเบื้องอินเดียนี่อาตมาก็ไม่ค่อยทราบนะท่านมหาคุญธรรมนั้นท่านคงทราบดีเราแปลกันเป็นไทยก็เรียกว่าขนมเบื้องมันจะขนมเบื้องแบบไหนก็ไม่ทราบทีนี้พอ เอาลงจากเตาหรือว่าทอดอะไรเสร็จใหม่ๆก็ให้หลานหลานนั่นกำลังร้อนๆก็กัดกลุวมกินเข้าไปกลางกลางก็ร้องเลยทีเดียวเพราะมันร้อนจัดมันลวกเอาปากลวกเอาลิ้นเข้าพอเด็กคนนี้ร้องขึ้นมายายก็ด่าบอกเองมันโง่เหมือนเจ้าจันทครคุปเน่ไปกัดกินได้ยังไงกลางกลางกล่วมมันต้องกินมาจากาจากข้างนอกก่อนนกินกินมาจากขอบขอบเนย ขรขอบขอบบางๆมันก็เย็นกว่าพระเจ้าจันทรคุปต์นั้นกำลังหนีมาซอกซอนมาในชนบทนั้นพอดีได้ยินเสียงยาย่าหลานนี้ได้ความคิดขึ้นมาทันทีเปลี่ยนแผนการรบใหม่บอกว่าเราจะซ่องสมกำลังแล้วก็ไปรบโดยตรงนี้คงไม่ไหวเพราะกำลังเราน้อยกว่าก็ต้องใช้วิธีที่ว่าทำแบบกินขนมเบื้องโดยเล็มจากขอบเข้ามานก็ค่อยๆไป สรงสูงกําลังใหม่แล้วก็ทําสัมพันธไมตรีกับพวกเผ่าเล็กเผ่าน้อยแล้วก็ตีอาณาจักรมคตนี่ล้อมเข้ามาล้อมเข้ามาจากรอบนอกตามลําดับและในที่สุดพระเจ้าจันทรคุปก็รบชนะแผ่นมคตแล้วก็เลยเข้าคลองแผ่นดินมคตตั้งตัวเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์โมริยะเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตเรียกว่าเมราริยะคลองแผ่นดินที่เมืองปาตลีบุตรนี้สืบมาแล้วก็ลูกของพระเจ้า จันทครคุปนั้นก็มีพระนามว่าพระเจ้าพินทุสารและวก็ลูกของพระเจ้าพินทุสารก็มีพระเจ้าเขมีพระนามว่าอาโศกเนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่แหละ <Yeah. S 1> อโศกตอนแรกก็เป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายมากที่ตอนเป็นเจ้าชายนี่ก็ไปเป็นอุปราชไปเป็นอุปราชที่อยู่ที่เมืองอุชเชนีที่บอกชื่อเมื่อกี้แล้วพอพระนาชบิดาคือพระเจ้าพินทุสานสวรรคต เจ้าชายอาโศกนี่ก็เป็นคนที่มีความดุร้ายมากได้ฆ่าพี่น้องหมดในราวร้อยคนเหลือไว้น้องร่วมอันดาคนเดียวนะได้ความกระหายอํานาจแล้วก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพราะขึ้นเป็นกษัตริย์ของแคว้นมคตได้แล้วก็ไม่พอไม่หยุดที่จะอยู่แค่นั้นก็คิดแสวงหาอํานาจต่อไปพอพร้อมแล้ว ก็ยกทัพไปลุกลานประเทศอื่นๆก็ไปตีดินแดนต่างๆออกไปเรื่อยไปรบชนะเรื่อยไปหวังจะเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบอติตศาสตร์หรือผู้เดียวในชมพูทวีปก็ตีเราไปจนกระทั่งถึงแคว้นกะลิงคาแคว้นกาลิงคานั้นเป็นแคว้นที่มีชื่อว่ามีนักรบที่เก่งกาดมีกองทัพมีกําลังความาสามารถเป็นอย่างยิ่งตรบกันอยู่เป็นเวลานานนั้นก็เสียหายมากทั้งสองฝ่ายแต่ในที่สุดพระเจ้ า, าโศม ก, ก็ชนะแคว้นกาลิงคาก็แตกไป แต่ว่าในการที่จะชนะได้ครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายสูญเสียมากตายกันเป็นแสนแสนที่สูญหายตายเป็นแสนสูญหายเป็นแสนถูกจับเฉลยเป็นเฉลยเป็นแสนแล้วก็ตอนนี้แหละที่พระเจ้าโศกมหาราชได้ทรงสลดพระไทยแล้วก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากซึ่งเปลี่ยนประวัติศาสตร์ทีเดียว เมื่อพระเจ้าสุภาราชเปลี่ยนวานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เปลี่ยนนโยบายใหม่จากสังขามวิชัยการชนะด้สงครามมาสู่ธรรมวิชัยเอาชนะได้ธรรมะคือเอาชนะใจกันด้วยความดีด้วยธรรมะก็เลยสร้างสารรค์ความดีเป็นการใหญ่แในตอนนี้ก็มีการทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนเรียกว่าทํางานเพื่อสร้างสารรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นอันมาก แต่ว่ามีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าคติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อทรัพย์สินเงินทองคือตามปกติพระเจ้าอาโศกนี่ก็เช่นเดียวกับกษัตริย์ในสมัยโบราณจำนวนมากที่มุ่งหวังที่จะหาความยิ่งใหญ่ให้กับตนเองแล้วก็ต้องการบำรุงบรงบรเลงความสุขส่วนตนเราเรียกว่าสแสวงหาโภคะละอานาจหรือทรัพย์ละอำนาจ แสวงหาโพคะทรัพย์และอำนาจความยิ่งใหญ่เพื่อตัวเองเพื่อบำรุงบำรุงตัวเองและเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองอันนี้ทรัพย์และอำนาจก็จะมีความหมายอย่างนี้โดยทั่วไปนี้เมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วทางธรรมะนี่ก็จะสอนว่าทรัพย์สินเงินทองความยิ่งใหญ่ต่างๆล้วนแต่เป็นอันอิจังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไป ไม่มีสาระที่แท้จริงไม่ควรจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านีนา้ไม่ควรจะหวังความสุขหรือความประเสริฐจากทรัพย์สินเงินทองและอำนาจเพราะนั้นทรัพย์สินเงินทองและอำนาจก็จะหมดความหมายมองในแง่หนึ่งก็จะทําให้เกิดความเบื่อนหน่ายเมื่อมองไม่เห็นว่าทรัพย์สินเงินทองและอำนาจมีความหมายอย่างไรแล้วเป็นเพียงสิ่งนอกกายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนิจจัง นะไม่มีคุณค่าที่แท้จริงถ้าอย่างนี้เราก็ไม่เอาใจใส่ก็ทิ้งนี่ก็คือความหมายอย่างหนึ่งของทรัพย์สมบัติถ้าพระเจ้าอาโศกมหาราชทําอย่างนั้นก็หมายความพระองค์ก็ไม่เอาใจใส่การพระราชทรัพย์และอํานาจต่อไปอันนั้นก็จะเป็นวิถีปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องตั้งเป็นคำถามว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่แต่ปรากฏว่าพระเจ้าอาโศกได้ทําสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธที่สําคัญ ก็คือว่าพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ไม่ได้ทรงทิ้งทรัพย์และอำนาจแต่ว่าได้ทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพย์และอำนาจเสียใหม่อยากที่กล่าวเมื่อกี้ว่าทรัพย์และอำนาจนั้นความหมายสำหรับบุทุชนคือเป็นเครื่องบำรุงบําเรอความสุขของตนและแสดงความยิ่งใหญ่ในนี้พระเจ้าอโศกได้เปลี่ยนความหมายของทรัพย์และอำนาจใหม่มาเป็นว่าทรัพย์และอำนาจนั้น สามารถใช้เป็นเครื่องมือแห่งธรรมะได้คือสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรงสรค์ความดีงามและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนด้วยความคิดเช น, นี้พระเจ้ า, าโศกก็เอาทรัพย์และอำนาจที่พระองค์เคยมีนั่นแหละแต่เปลี่ยนใหม่แทนที่จะามาบำเพ็ญบำเบลตนเองก็มาใช้สร้างสรงสรค์รความดีงามและประโยชน์สุขอย่างที่ว่าก็ได้สร้างโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลสัตว์ทั่วพระราชอาณาจักร แล้วก็สร้างถนนหนทางเชื่อมต่อไปให้กว้างขวางถึถึงให้การศึกษาแก่ประชาชนทมศิลาจารึกประกาศธรรมะแล้วก็แสดงสิ่งที่เป็นนโยบายของรัฐในทางธรรมะที่จะให้พวกคนผู้บริหารปกครองในท้องถิ่นนันนำไปสั่งสอนประชาชนตลอดจกนกระทั่งอุปธรรมศ า, ศาสนาพระเจ้าสมุมาราชทงทราบว่า พราธรรวินัยของพระพุทธเจ้านี้มีทั้งหมด 84,000 วั ร, รมะขันก็ได้สร้างวัดขึ้นทั้งหมด 84,000 วัดเรียกว่ามหาวิหารทั่วอาณาจักรของพระองค์โดยเฉพาะเนก็คือในแคว้นมคตนี่แหละแคว้นมคตนี่เป็นศูนย์กลางของมหาอาณาจักรของพระเจ้ า, าโศมแค้มคตเดิมเนี่ยก็คือบริเวณแถบนี้ไปที่เรากําลังจะไปเลยเป็นศูนย์กลางในแคว้นมคตนี่ก็จะมีวัดจํานวนมากมายเหลือเกินวัดก็คือวิหาร มหาวิหารวัดใหญ่เขาเรียกแค่วัดก็วิหารคําว่าวิหารในทัถแผงวอเป็นพอก็จะเป็นที่หารในสมัยต่อมาได้อย่งในประเทศไทยเรานิยมแปลงวอเป็นพอเยอะแยะไปในอินเดียก็วอเป็นพอก็แผงกันได้วิหารก็เป็นพิหารวิหารแปลว่าวัดต่อมาเมื่ออาณาจักรของพระเจ้าโศกได้เสื่อมสลายลงไปแล้วก็มีสร้างวัดวารา ม, มากมายเหลือเกินพระพระเจ้าโศกสร้างไว้มาก ใ น, นแคว้นมาคอนี่เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยซากของวัดคือวิหารหรือพิหารเพราะฉะนั้นต่อมาก็เลยเรียกชื่อดินแดนแถบนี้ตั้งชื่อเป็นแควนเป็นรัฐหนึ่งเรียกว่ารัฐพิหารหรือแควนพิหารอย่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในแถบนี้เขาเรียกแควนพิหารนี่เป็นชื่อปัจจุบันเนี่ยที่เป็นมาอย่างนี้ก็เพราะว่ามีวัดมากมายเหลือเกินซึ่งพระเจ้าอาโศกสร้างไว้ซากซ า, ากมันคงอยู่ พระเจ้าโสดก็สร้างมหาวิหารในทั้งหมด 84%,00 มแห่งทั่วราชอาณาจักรแล้วก็วัดเหล่านั้นก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาบางแห่งก็จเจริญเติบโตต่อมาได้เป็นมหาวิทยาลัยอย่างแห่งหนึ่งที่เรากำลังจะไปก็คือนารันทานารันทาก็เป็นวิหารหนึ่งแล้วได้เป็นมหาวิหารวัดใหญ่มหาวิหารเกิดจากวัดเล็กๆรวมกันตั้งหลายวัดนะแล้วก็เลยเป็นศูนย์กลางการศึกษาใหญ่พัฒนาขึ้นมาจนเป็นมหาวิทยาลัยนารันทา ซึ่งเราจะได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของวัดที่เรียกว่ามหาวิไลนารันทานี้ซึ่งชื่อในภาษาบาลีเรียกว่านารันทามหาวิหารนะก็คือวัดใหญ่นั่นเองนี่แหละก็คือความเป็นมาในอดีตนะซึ่งเกี่ยวข้องกับดินแดนแห่งนี้ที่เรียกว่าปาจารีบุตรพระเจ้าโศกมหาราชได้ทรงให้ความหมายใหม่แก่ทรัพย์และอำนาจแล้วก็ทรงจารึกไว้ในหลักศิลาของพระองค์ศิลาจารึกของพระเจ้าโศกแห่งหนึ่งก็จะบอกว่ายอศ ของพระองค์นี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าหากว่าจะไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้ประชาชนได้ประพฤติ ธ, ธรรมแลหมายความว่าพระเจ้าโสดนี่ใช้ทรัพย์และอำนาจมาเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะเผยแพร่ธรรมะหรือสร้างสรรค์ธรรมะทาให้ความดีงามหรือธรรมะนี้แผ่ขยายไปในหมู่มนุษยสังคมเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไปอันนี้จะเป็นคติที่สําคัญว่ากคำว่ายศในภาษาบาลีนั้นก็แปลง่ายๆว่าความยิ่งใหญ่ ยศนั้นว่ากันง่ายๆก็มี3อย่างคือ1เกียรติยศยศคือเกียรติคือความมีชื่อเสียงเกียรติคุณแล้วก็2อิสริยยศยศคือความยิ่งใหญ่แล้วก็สาบริวารยศยศเกิดคือบริวารอันนี้คนที่มีความคิดดีๆมีเจตนาดีมีสติปัญญาดีแต่ถ้าไม่มีทรัพย์ไม่มีอํานาจไม่มียศแล้ว เขาก็ไม่สามารถจะสร้างสรรค์ความดีงามหรือประโยชน์สุขได้มากเราคิดขึ้นมาแต่เราไม่มีเงินเราไม่มีบริวารเราไม่มีอำนาจเราจะทำอะไรได้แค่ไหนเราทำได้นิดเดียวก็จบแล้วแต่นี้ถ้าหากว่ามีทรัพย์มีอำนาจมีบริวาร น, นี่ความคิดดีงามสติปัญญาที่ดีก็สามารถออกผลได้กระจายกว้างขวางเหมือนพระเจ้าโศกเพราะนั้นพระเจ้าโศกนี่ก็เป็นคติแบบอย่างที่ดีอย่างน้อยก็ให้ธรรมะแก่เราเรื่องการปฏิบัติ ต่อเรื่องทรัพย์และอำนาจอย่างที่กล่าววันนี้ก็คือว่าชาพุทธนี้มีคติว่าเมื่อเราได้เรียนรู้ธรรมะแล้วเราก็เห็นว่าทรัพย์สินเงินทองอำนาจนี้เป็นสิ่งนอกกายไม่ควรจะใช้มาเพื่อเป็นจุดหมายของชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นความหมายของทรัพย์และอำนาจในแง่นั้นในแง่ที่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวหรือเป็นประโยชน์ส่วนตนแต่ว่ามองแบบพระเจ้าโสดอย่างที่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเมื่อทรัพย์และอำนาจ ไม่มีความหมายเป็นอนิจจังทุกขรั้งนัตตาแล้วเราก็ทิ้งมันไปเลยไม่เอาใจใส่ไม่บริหารไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องรู้จักเอามาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีงามและประโยชน์สุขอันนี้คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของชาวพุทธแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นคุณค่าประโยชน์เลยไม่อยากเกี่ยวข้องก็ออกบวชไปเลยออกบวชไปเลยก็ไปทําหน้าที่ทางธรรมะอีกแบบหนึง่งคือนานธรรมะที่เป็นตัวนามธรรมาคือตัวสติ ป, ปัญญาเนี่ยไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อรู้ เือให้ประชาชนคนทั่วไปนี้รู้จักดําเนินชีวิตให้ถูกต้องเพระาะฉะนั้นก็มีคติ2 อ, อย่างถ้าอยู่เป็นขา้าราชกก็ใช้ทรัพย์และอํานาจให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความดีงานและประโยชน์สุขถ้าไม่ฉะนั้นแล้วจะเป็นคนคึ่งๆกลางๆนะมีทรัพย์และอํานาจแล้วบอกว่เบื่อนายเลยไม่เอาเรื่องเอาราวนะจะทําไงก็ไม่ทาแล้วก็ไม่รับผิดชอบทรัพย์และอํานาจนั้นไม่ได้รับการบริหารไม่มีคนรับผิดชอบก็เสียหายไปหมดไม่เกิดประโยชน์ กัตนเองและไม่เกิดประโยชน์กับสังคมะนั้นอันนี้เรื่องพระเจ้าโศกอย่างน้อยก็ให้คติกับเราอย่างนี้แต่นอกจากนั้นเรายังมีคติที่สําคัญก็คือเรื่องของสถานที่นี้เองก็คือวัดอโศการามที่ว่าเป็นที่กระทําสังขยานาก็ขอพูดอีกนิดเดียวเลยพ่อเรื่องของการสังขยานานั้นสังขยานาคือสังขยานาลายสังขยนาทางพระท่านเทวีก็สังขยานาพระธรรมวินัยธรรมวินัยคืออะไรก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สังเคานาเพื่ออะไรก็เพื่อให้คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้อยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหลักเป็นฐานจะได้เจริญมั่นคงต่อไปคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าหลักคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรแล้วจะได้ปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องอนี้เมื่อหลักธรรมวินัยอยู่เรียบร้อยบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วในพระศาสนาก็เจริญมั่นคงต่อไปแต่วัตถุประสงค์ของการสังเคนานั้นท่านบอกว่า พระผู้ชนะฮิตายะพระผู้ชนะสุขายะโลกาุกรรมปายะแปลว่าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่นชนจํานวนมากเพื่อเกื้อกูลต่อชาวโลกหมายความว่าที่ท่านทำสังกิณณาอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ให้าศาสนาเจริญมั่นของนั้นวัตถุประสงค์นั้นไม่อยู่ที่ตัวาศาสนาเองาศาสนานั้นไม่ได้มีอยู่เพื่อตัวเองาศาสนานั้นมีอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมากและเพื่อชาวโลกนี่ะนั้นนี่เป็นจุดหมายของาศาสนาอันนี้ ในการปฏิบัติของพุทธศาสนิกนชนเราธนุบรมงพุทธศาสนานี้เราธนุบรมงพุทธศาสนาก็เพื่อให้พุทศาสนาใ้อยู่ ย, ยั่งยืนจะได้เป็นประโยชน์สู่แก่ประชาชนจนวนมากและชาวโลกสืบต่อไปตลอดกาลนาน <c oughs> แลคติกีกอย่างหนึ่งก็คือตัวธรรมวินัยเองซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือธรรมวินยัยอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันต่อไป